ก็ให้ลูกหลานพยาบาลเราสบายสบายมผู้ที่พยาบาลคนที่ป่วยก็มีคุณนรรมมีคนที่พยาบาลรักษาคนป่วยก็มีคุณธรรมคนที่ป่วยก็ให้โอกาสแก่พยาบาลยารมให้น้ำมากแก่บุคคลที่รักษาเก็บตรงไหนเป็นอะไรก็ให้รู้จักทางจิตเทมนี้ คนกินรักษาพ่อแม่ก็ดีมันกานก็มีคุณธรรมมีความอดทนอย่าลังเกียดทีนนี้ฉนองคนพ่อแม่ของเราเวลานี้เท่านั้นแหละมีรุนต้นเกิดมาเราเป็นเด็กมีพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ข่าใส่พ่อใส่แม่เราต้องเติบโตมาแบบนี้ได้มาอยู่เดี๋ยวนี้ นั่งรวมตังอย่างเดียวนิดเพราะพ่อคนพ่อพ่อแม่นี่ลงมาสารทัดอย่างไอพ่อแม่นี่ดูมาสารพัดอย่างแล้วมีมูลคุณเนื้อที่สุดเกินนื้อมีมาที่รูปหลานทั้งหลายทุกๆคนให้เข้าใจว่าแบบนี้พ่อแม่เราเป็นเด็กพ่อแม่เราเป็นลูกเราแล้วแหละก่อนเราเป็นลูกของพ่อแม่แบบนี้พ่อแม่เป็นลูกเราชนะเพราะอะไร แก้ไปแก่ไปแก่จนแก่เลยเป็นเด็กจำก็ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ยินทั้งหลายพอย่างบางทีก็พูดถูกถูกผิดผิดเหมือนเด็กอนเองจี้จี้มันเด็กกันเองจีมันเด็กอะไนเองนั่นลูกหลานทั้งหลายนั้นจะให้สบาจมากให้ปล่อยฮให้ปล่อยใหคนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อย อีอคนที่มันสบายเนี่อย่าไปถืออะไรปล่อยนะให้ตามใจทุกอย่างนะที่นี่เราปล่อยแล้เหมือนเด็กๆนะเด็กๆที่เราเปิดะอะไรมีฟันพอไม่ปลอยทุกอย่างนะปล่อให้เด็กมันสบายไมนให้เด็กมันร้องไห้มีเด็กขัดใจอะไรนี้พองี้ของเราแบบนี้เหมือนกันอีทุกอย่างมันไี่ก็ลาแต่แล้วคนแก่ บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปเรียกคนหนึ่งลูกหลานเรียกหล้านคนนึงไปถูกคนหนี่งจะเอาเลขเอาบอกเอาขันมาก็ได้จานมาเรียกเอาแก้วมาก็ได้อะไรมีไ้มมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นนะครั้งนี้อกอให้ยกใหพิจรารณาใครที่คนป่วยนะก็เป็นให้นึกถึงคนที่พยาบาลมีคุณธรรม ให้อดผิทนต่อทุกขเวทนาเวทนาส า, ารพัดอย่างที่มาเกิดมาให้อดกล้างให้ทาเพี้ยนในใจของเร า, าใหญ่มันยุ่นวยายให้มีความลำวากยากจนเกินไปเกี่ยวกับิบัติโอปปะทาของเราผูอ้อปปะทาก็มีคนเนี่ยทำยาดังเกลียดนำโมกนำร้ายอุดจะัละปัจจุบัอะไรต้องพยายาม เท่าที่เราจะทำของแล้วได้ครูมุกทุกคนจะช่วยกันดูในเวลานี้วัด น, นี้เรามีพรหมจรรยนี่เราอาศัยมาใด้เกิดมานี่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกอย่างอันนี้อันนี้คือบุญคุณของท่านที่เรายินเรามาให้ความรู้มาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพย์สมบัติลราซึ่งเราจะมี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 ปตัญญูกตเวทีกตัญญูก็กตเวทีนี่เป็นธรรมที่หนองมจึงกันกริยันนี่กตเวทีก็ทําความดีมาแล้วใครทำความดีก็เรามาใครสงเคราะห์เรามาเขาเลี้ยงเรามาใครเลี้ยงเรามานี่เป็นของกตเวทีที่เราให้ความเป็นอยู่ของเราหนคนนั้นแหละ จะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นยากิหรืไม่จะญาติก็ดีนะ่ะเป็นคนกตเวทีกาตจันยูก็คือตัวเรา ท, รท่านมีกตเวทีเนี่ยที่อุ ป, ปถัมภะฐานขนุนบังเรามาแล้วเราคิดเห็นบุญคุณของท่านเรียกว่ากาตันย์โยท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลําบาก ท่นมีความขัดข้องโดยการใดเราก็ต้องเสียสะละรับผ่าละทุระอันนั้นช่วยท่านเล่าก็จำอยู่ก็จะเวทีนี่เป็นธรรมที่คำจูนฮอกอยู่ให้วงตะโกนของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตะโกนของเราเรียบร้อยให้วงตะโกนของเรามั่นคงเต้นอยู่อย่างนี้อือันนี้แหละวางใน อาจะมาในฝากเพชรฝากธรรมะคำสอนมาฝากย่ายในเวลาเจ็บปวยนี้โดยความในจำเนิศน้อมมาอาศัยคนหมออุทัยซึ่งเป็นลูกนูกของโยมนั่นแหละถึงพูดใัตอนเวที เป็นภูมิคกันอยู่กันตลอดทีอย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นอาตมาก็ไม่ดีจะฝากวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาอยู่ที่บ้านมันเยอะแยะแล้วนะ่ะเอาไปเอามามานาันยำบานนะอาตมาจึงฝากธรรมะซึ่งมันหมดไม่ได้ซึ่งมันหมดไม่เป็นซึ่งมันเป็นแก่นเป็นช้าน ีถึงยายในฟังธรรมะนี่แล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นเมื่อไรก็ยังไม่หมดเมื่อไรก็ยังไม่จุทัดเจะธรรมคือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อันนี้จะมาก็พลอยดีใจด้วยว่าได้ฝากธรรมะให้คุณยายมีพลังจิตใจขี่เข็มแข็งต่อสู้ก็สิ่งทั้งไลายเล่นี้ในโลกนี่มันเรื่องในสมบทั้งน้นแหละ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 มันเป็นทุกอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอริยภาพทุกส่วนนี้นั่นเป็นไวยะทยอยกันไปนี่นี่มีกันนั่งท่าคุณยาติกิจนาอย่างนี้แล้วที่จะเห็นว่าอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงเออทุกครั้งมันเป็นทุกเพราะว่าอะไรอนาตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไอ้ร่างแต่เราโยมอาศัยอยู่แถวนี้ร่างกายเนี่ยนั่งอยู่ น, นี่นอนนี่นเจ็บป่วยอยู่ น, นี่่อืแล้วก็ทางจิตใจที่รู้ว่ามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเจ็บมันป่ปวยอยแถวนี้เนี่ยทั้งสองอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำแต่สิ่งที่มันมีไม่มีรูปมันมีความรู้สึกนึคิดทถานั้นเรียกว่ามันก็เป็นนามมันก็เป็นนามะทั้ง อือมจริ่งที่มันเป็นรูปเรีงยมันเก็บมันปวดมันขยายไปมาอยู่อย่างเนี้ยอันนี้มันกว่าเป็นรูปกว่าธรรมจิ่งที่เป็นรูปกว่าเป็นธรรมจริง่เป็นน้ําก็เป็นธรรมแค่นั้นเราต้องอยู่กันด้วยธรรมะคือธรรมอยู่ในธรรมมันเป็นธรรมอือตัวของเราจริงๆที่ไหนมันก็ไม่มีมันเป็นธรรมะถ้าเราธรรมมันก็เกิดึแหนมเวลาไปเกิดแหนมกวลาไป จะพาเราทำเป็นอยู่อย่างนั้นมีความเกิดและมีความดับเราก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะเดียวนี้ยอืมมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราคิดถึงองค์สมเด็จพระจมภาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น่าไหว้ก็น่าคารวะน่านับถือท่านพูดจริงแต่พูดตามความจริงมันก็เห็นจริอย่างนั้นถ้าเราเกิดมาพบอยู่ที่นี่เราก็เห็นธรรมะอืมแผลไม่เลยปฏิบัติธรรมะบางบางคนปฏิบัติธรรมะ แต่ไม่เห็นธรรมะบางคนรู้ธรรมะเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะมก็ยังไม่เป็นธรมมนธรมะมก็ยังไม่มีที่อยู่ดังนั้นให้เข้าใจือว่าที่นี่ทุกคนแม้กระดปตัวหลีมดนีดจับตัวนี้นี่ก็ตามทีนะอนะเขาจวนพยายามจะหนีกันเนะั้านั้นเไม่มีใครอยู่สักอย่างไอ้เมีชีวิตอยู่ไป็นพอควรเนี่ยมัก็ตายกันทั้งนั้น่ะ ทางคนจนทางคนนั่งด้วยทางเด็กทั้งคนแก่ท้งเศรษฐาชานให้สิที่ทชีวิต อ, อยู่ในโลกนี้มันแปรไปเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่ฉะนั้นคุณมีอะไรรู้สึกมากโลกนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วนะว่นหน้าเบื่อหนายเนี่หน้าเบื่อมันอะไรมันเป็นใเป็นตัวของตัวนั้นเบื่อหน่ายนิพพิธาความเบื่อหนาย เมื่อนายไม่ใช่บารมีรังเกียดแนะไม่ใช่บารมรังเกียดนะไม่ใช่บาังเกียดนะเมืนายขี่ใจมันส่างใจเห็นความเป็นจริงไม่มีทางอะไรจะแก้ไขแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็เลยปล่อยวางมันปล่อยโดยความไม่ดีใจปล่อยมาโดยความไม่เสียใจปล่อยไปตามสังขารเราสังขารมันเป็นอย่างนั้นโวยปัญญาของเราเห็นนี่ไรียกว่าอเนจาระสุ ส, สังกัลลัสสังขารขึ้ไไปในที่ ไม่เทีท่ยงคือว่ามันเปลี่ยนไปแปลงมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นเลยวัาไม่เที่ยงตัวอนิจจังพูดยังไงตัวอนิจจังนั่นแ่ะตัวประพุทธเจ้านะฮะถ้าเราพอไปเห็นอย่างจริงจังอะอนิจจังเป็นของในเที่นั่นแหละคือตัวประพุทธเจ้าถ้าเราเห็นอนิจจังแล้วอนิจจังของในเที่ยถ้าเราเห็นชัดเข้าไปของมันก็เที่ยงที่ยงอย่างไรก็เที่มันจะมีอย่างนั้นแหละีเมื่อแกเป็นอย่างอ มันมักาดเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันในที่นี้มันแปลไปแปลมาเปลี่ยนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นเข่าเฉลแก่สลาเนี่เรียกว่ามันในที่และความที้มันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะทุกคนทุกระบบการเพีาะอย่างว่ามันเที่ยงไม่แปลเป็นอย่างอื่นมันแปลตัมันอยู่อย่างนั้นมันในที่ถ้าคุณยาเห็นอย่างนี้ก็ในใจไก็สบายไม่ว่าเราคนเดียวเราทุกๆคนเป็นอย่างนี้ อยงนั้นมาเช็คแค่นี้ก็น่าเบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อในหายความตันหนักแล้วไถในโลกในจามในโลกามิตรทงหลายนี้ดีมีมากกว่าที่หม่มากมีน้อยกว่าที่หม่น้อยทุกคนดูไปที่นะมายากเตยเตยขึ้นมาเห็นไหมเห็นคนยนต์ไหมเห็นคนรวยไหมเห็นคนอายุท่านไหมเห็นคนอายุยืนไหมก็เห็นเท่านั้นแหละนี่นะ อย่างนั้นตามความจริงวันนั้นที่สําคัญนั้นพรบพุทธเจ้าให้เห็นว่าใหาา้สร้างบ้านเจ้าของสร้างบ้านสร้างบ้านวิธีเจตมาบรรยายนธรรมะให้ฟังอย่างนี้สร้างบ้า น, าา น, านให้ได้ปล่อยให้ได้วางปล่อยแล้วก็วางมอนให้มันถึงความสงบในความสงบนั้นก็เลยไม่เดินไม่ทำเนินไม่กล้ามาทางหลังไม่หยุดอยู่ดเดี๋ยว ม, มันสงบสงบจากไปเดินไป สอกจากการถอยกับสงบจากการหยุดอยู่เนี่ยไอความสุขนี่ก็ไม่ใช่ที่อยู่ของเราไอความทุกข์มันไม่ใช่ที่อยู่ของเราทุกข์มันก็เสื่อมสุ ข, ขมันก็เสื่อมทนึงเนี่ยบัดนี้พระบรมโคดินเห็นว่าสัมผาสทางหลายทางกลวนี้มันเป็นของไม่ที่นี่นี่ฉนนั่นท่านพิงช้อนให้พวกเราทางหลายถึงเวลาสุดท้าย อย่างนี้ทุกคนกันปล่อยๆที่วางนี่เพราะว่ามันเอาไปไม่ได้จำเป็นก็ต้องจะวางอยู่นั้นเองแหละอืมนี่พอเราวันวานไปก่อนมันแค่มันจะไม่ดีกว่าแหละอืมมันแบกเรารู้สึกว่ามันหนักมันเรารู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ไม่แบกมันแค่เราทิ้งมันก่อนเย้มันยังไม่ดีหรืองั้นน่ะอืมจะไม่กวนแบกมันทําไม อยจะไปอะไรอะไรมันทําไมแล้วก็ปล่อยวางนะรู้ใช่ไหมลมหายใจเข้าออกของเรานี้อื ừ. มันก็ออกแล้วมันก็เข้ามาเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเป็นธรรมเลาของลมมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่อย่างนั้น ừ. ต้องกลับไปกลับมาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเลื่อนสังขารก็อยู่ใยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองเช็คนู่ดีกว่า เอาหายใจออกอย่างเดียวฮนะ ม, มันยังเข้ามาได้ไหมสบายไหมอืมฮฝูดลงเข้ามาแล้วมาเห็นมันออกดีไหมนีอม่อย่าจะให้มันเที่ยงอย่างนี้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ออกไแล้วก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นเรื่องธรมรมดาเรื่อง เกิดแล้วก็แก่แก่เลิเกจิตตายเป็นเรื่องของธรรมดาแทๆ้ๆเหมือนสังกะลมันเข้ามาแล้วมาให้ออกไม่ได้ออก ไ, ไม่ไ้ให้เข้าไม่ได้ถ้ามีการออกแล้วก็เข้าเข้าแล่ อ, อยังมีธธรรมชีวิตทำชีวิตให้มนุษย์เดือดสัตว์กันร้ายเป็นอยู่เท่าทุกวันนี้เพราสังขารมันตามตามหน้าที่ของมันอย่างนี้นี่มันจริงอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของอะไจริงมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นนี่ อันนั้นมันจริงแล้วเรามองเห็นอย่างนั้นในความเกิดแก่เก็บตายเมื่อเราเกิดมาแล้วนะยอมก็คือเราตายแล้วเองนะที่ในความเกิดกับความตายมันเหมือนกันเท่านั้นอันหนึ่งเป็นต้นอันหนึ่งเป็นปลายเหมือนต้นไม้ของเรานั้นเนะี่ยเมื่อมีโคนมันก็มีปลายเมื่อมีปลายมันก็มีโคนไม่มีโคนตายก็ไม่มีที่มีปลายก็ต้องมีโคนมีแต่ปลายโคนไม่มีก็ไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหอนกันหรือขาเหมือนกันแต่มนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจะตายมันจะโศกเศร้าวุ่นวายร้องไห้เจ็บใจสารพัดอย่างหลงไปอยู่มันหลงนะนคนจะตายไปร้องไห้ทีไรลำพันธ์ จ, จะไหนจะไรมาไม่เคยใครพิจะะารณาให้ชัดแจ้งนะไอ้ความจริงๆอาจจะมาเห็นว่าเราขอโอกาสเลยนะวะ ถ้าจะร้องให้กับคนตายเนะี่ยร้องให้กับคนที่เกิดมาดีกว่าอคนที่เกิดขนะึออ้นมาเนี่ยหรอวะไอ้ใจไม่กลับกันใช่ไถ้าคนเกิดมาเราโยมเราทำอะไรหัวเลาะดีอกดีใจกันทิ่มบานไอ้ความเป็จริงเกิดนั่นแหละคือตายตายนั่นแหละก็คือเกิดต้นนั่นก็คือปลายปลายก็คือต้นเราไม่รู้จักอืม ถึเวลาโจนจะตายเรื่อตายก็ร้องไห้กันนี่คือคนงโง่ถ้าจะร้องไห้อย่างนั้นก็โง่มาแต่ต้นก็ยังจะดีนะึมว่าเกิดมาจร้องไห้กันสักทีเถอะโมคินะไอ้อเกิดนั้นแนลตัวตายแล้วเนะีะถ้าไรเปิดก็มาเป็นตายเห็นไหมอืมไอ้ตัวเกิดก็คือตัวตายตัวเกิดเราไม่เห็นว่าตัวตายจ้ะไอ้ตัวตายก็คือตัวเกิดตัวเกิดก็คือตัวตายอย่างนั้นยอ่อม ไม่ต้องนึกอะไรให้มันวุ่นวายมากมายว่ามันเป็นอย่างนั้นนะนี่คือหน้าที่ของเราแล้วแบบนี้ใครช่วยไม่ได้โลกช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ทรัพยสินเงินทองช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่ความรู้สึกของโยมให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่ให้วันไหวไปมาปล่อยมันทิ้งมันใช่เราปล่อยมันมันทิ้งมัน อถ้าเราไม่ทิ่งมันคอยมันมันก็จะหนียอยู่แล้วเลยนะเอาไว้เฉพาะร่งกายของเราเนี่ยมันพยายามจะหนียอยู่แล้วนะเห็นไหมรู้ไม่ง่ายเลยไอ้เกิดมาเป็นหุ่มเป็นน้อยโค ม, มึงกว่าลำปี้เหใช่ไหมบางทีมันงอทีเดียวมันดีแล้วนะนี่แค่ว่ามันหนีนะนตาเรามันสว่างสวัยนี่เป็นเด็กเป็นหนุ่มนะ บัตรนี้มันฝ่าฟันแล้วนี่ในวันมันหนีแล้วนี่เขาทนไม่ไหวแล้วก็จะต้องหนีแต่ที่นี่เป็นที่อยู่ของเขาแล้วอะไรทุกสิ่งทุกส่วนก็จะหนีแล้วฟันของเราเด็กๆมันหนาท่าหอนไหมบัดนี้มันโยกมันคลอนอย่างนี้ฉะนั้นี่ก็ใส่ฟันใหม่แล้วก็ได้อย่างนี้นี่เของใหม่เนี่ยน่ของเก่าของเก่าเขาเป็นเขาหนีแล้ว สิ้งทังบวงองวิญญาณร่างกายเราเนี่ยคือคนใหญ่ด้วยคนทุกๆกคนอย่างเนี้ยเขาพยายามจะหนีไปเนี่ยหรือในร่างกายนี่เขาพยายามจะหนีตาหูจะงูรีบตายทั้งหมดก็พยายามจะหนีทําไมถึงจะหนีเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเป็นสังขารอยู่ไม่ได้อยู่ชัว่วคราวถ้าเราไปไม่ว่าจะตัวของเราละทั้งหมดวิยญาณนี่ผมก็ดีขนกนี้ เล็บก็ดีฟันก็ดีนังก็นี้ทั้งหมดหละเดี๋ยวนี้พขาพยายามหนีเลยหนีเขาพยายามหนีไปแล้วพยายามหนีก็หนีไปบ้างแล้วเพียมไม่หมดยังเหลือแต่คนฟอกบ้านอยู่เล็บไมน้อยซี่ฟอกบ้านมันอยู่แล้วไม่ค่อยนีเนื้อตาเนี่ยแสงก็ไม่ค่อยดีไอ้ฟันนี่ก็ไม่ค่อยจะดีหงอนี่ก็ไม่ค่อยจะดีไลำไส้นี่ก็ไม่ค่อยจะดีทำไม ก็เพราะเขาหนีไปบางแล้วทยอยกันไปนี่นี่นี่ทยอยกันไปนี่นี่นายายเขาเจอที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรงเป็นที่พักโจคราวเท่านั้นแหลต่อไปลายยานั้นยมไม่ค์เป็นคน ห, ห่วงใยอะไรมากมายมาอยู่ในโลกวิานารมาโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะอะไรทั้งหลายดีเขาที่นั่งจะดีกันแล้ว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 ตามวาลักของเขาแล้วเขาก็ต้องตองไปทําไมเขาจะตจองไปก็ธุระเขาเป็นอย่างนั้นไอ้ความจริงๆมันเป็นอย่างนั้นก็ที่นี้ไม่ใช่ที่อยู่อย่างเนี่ยหนาถาวร อ, อะไรที่อยู่แล้วก็บวุ่นวุ่นไม่ไม่สุกสุทกๆไม่สงบระงับถ้าเป็นคนก็คนเดินไปยังไม่ถึงบ้านยังยหวนระวังทาง เล็กคนจะกลับเม็กคนจะไปเล็กคนจะกลับเล็กคนจะไปเล็กคนจะอยู่เล็กคนวิธีอยู่ยังเราเดินเดินออกจากบ้านเนี่ยเปรี่ยบว่าเราเดินไปกรุงเทพเราเดินไปที่ไหนก็านั้นไปบ้านนอกที่ไหนก็ตามก็เดินไปเดินไปไม่ถึงบ้านเราเมื่อไรเป็นต้นก็ไม่น่าจะอยู่นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายนั่งรถไปก็ยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะไม่ถึงบ้านเราแบบนี้ถ้าเราถึงบ้านเราแล้วก็สบาย พ่อเข้าใจว่านี่เป็นบ้านเราอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันบ้านนี้เอ่อเป็นภาระของคนยายคนเดียวไม่เป็นภาระของคนอื่นภาระของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นครับมีภาระหน้าที่ของเราก็เป็นโทระหน้าที่ของเรา ทุกหาน้าที่ของเราในเวลานี้ก็คือพยายามวางความรู้สึกไวที่จิตของเราไม่ให้กังวลกังวายเป็นธุะหาน้าที่ของเราเราลงจากธุะหาน้าที่ของเราในเวลานี้เราเป็นอะไรอยู่ในเวลานี้เราอยู่อย่างไรจิตเราเป็นอย่างไร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 เราควรจะวางแล้วออาการที่ควรจะปล่อยจะวางนี้จะทําความให้สงบนี้เป็นทุเลาของเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําในปัจจุบันเมื่อเวลาเราป่วยอย่างเดียดนี้ให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี่คือทุเลหน้าที่ของเราเรื่องอะไรก็ปล่อยเขาจ้ะเรื่องรูกก็ปล่อยเขาจ้ะเรื่องเสียงก็ปล่อยเขาจ้ะเรื่องกลิ่นก็ปล่อยเขาจ้ะ เลื่อนรถก็ลอยเขาจะเล่อน อ, อะไรอะไรก็ลอยเขาเนี้ยเราจะทําธุระหน้าที่ของเรามันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก่อนหนึ่งจะอย่ามากวนฉันมันใช่ธุระหน้าที่ของฉันความมีภาพมีจานอะไรก็ตามบาเราจะกลัวกลัวในชีวิตของเรากลัวในชีวิตกลัวอันตรายาเราจะตายอย่างนี้เป็นต้น มีคิดถึงคนโน้แต่ก็คิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตอย่างนั้นเราก็บอกในใจเราว่ายามากวนฉันไม่ใช่ธุระของฉันอยามากวนฉันไม่ใช่ธุระของฉันอย่างนี้ไว้ในใจของเร า, าเพราะว่าเราเห็นธรรมทั้งหลายที่นั้นเกิดขึ้นมาธรรมคืออะไร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 พิงไม่บอกเราคิดขึ้นมาแล้วก็กลัวจะตายกลวจะแก่กลัวจะเก็บกลัวกลัวทั้งหลายมันเป็นโลกเหล่านั้นแหละที่โลกใช่ไมันเป็นโลกโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นอมันเป็นโลกถ้ามันมีขึ้นมาในใจแล้วก็เลยจะเอารูปนี้คืออารมณ์อารมณ์นี่มันมาบางังจิตไม่เห็นจิตของตนอย่างนั้นอะไรอะไรทุกอย่างนั่นแหละถ้ามันเกิดขึ้นมาในมุมคิดว่า น, นี้ไม่ใช่ตุระของฉัน ีเเออเเ่เป็นเรื่องอนนตจังเป็นเรื่องทุกขครั้งเป็นเรื่องอนิตจาเราจะคิดเราอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะอยู่ไปนานๆอย่างนี้ก็ให้เกิดทุกข์เราอยากจะตายให้นี้้ใหเร็วๆอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางนะยายน่ะเป็นทุกข์เพราะว่าทั้งขาานี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปตกแต่งเอ้ยมันก็ไม่ได้อะ่ะ ได้เป็นตกแต่งมันไม่ได้มันเป็นเพรามันเด่นนั่นตกแต่งได้ก่อนนิดๆน้อยๆเดี๋ยว่าอืออือเป็นผลว่าตกแต่งร่างกายของเราให้มันสะสวยให้มันสะอาดอหรือเด็กๆเขาดูที่มันทาปากมันทาศกเขาจ้ะทำเล็บไปมันยาวจะทําอะไรมันสะสวยแค่นั้นแหละโยบเมื่อแกมาเรียกรวมใกับฟองเดียวกันเท่านั้นยังไม่มีอะไรตกแต่งแค่นั้นเนี่ย ตกแต่งจริงๆไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นเดิมฉันผ่านนั้นจะตกแต่งได้ก็เรื่องจิตใจงูรางบ้านที่ยายอยู่นี่ยายก็สร้างขึ้นมาสองตายายสร้างขึ้นมาก็ได้อยู่สังบ้านเมื่อคนคนดื่มก็เหมือนกันตึกรางบ่านช่องทั้งหลายก็สร้างขึ้นมาได้อย่างว่านคนุณหมออุทยอาจารมาก็เคยไปขึ้นบ้านใหม่ให้อยู่ที่นั่น สร้างคึนสะสวยใหญ่โตก็ได้นะสร้างสร้างบ้านข้างนอกใครๆก็สร้างกันได้ถึงนั่นแหละแต่ว่ า, าพระพุทธองค์สัียดว่ามั น, ม, นมันบ้านข้างนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงมันที่บ้านโดยสมมติบ้านอยู่ในโลกมันก็เป็นไปตามโลกนั่นแหละบางคนก็ลืมนะ่ในบ้านใหญ่บ้านโต มีสนุกสุสําดานเดิมบ้านจริงๆของเราอ่ะบ้านที่จริงของเราอยู่ที่ไหนอีบ้านที่จริงของเราคือมีความรู้สึกที่มันสงกคือความสงกนั่นแหละเป็นบ้านของเราจริงๆบ้านที่เราอยู่นี่หรือบ้านที่ไหนอะไรก็ตามดีเถอะนะบ้านก็สวยแต่อยู่ก็ไม่เคยสงุกอี่เนี่ยกับเพราะอันนู้นเนี่ยกับเพราะอันนี้เนี่ยห้องอันนั้นเนี่ยก็ห้องอันนี้อยูอย่างเนี้ย เียว่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้ า, ทานทำงานอีมันเป็นบ้านทางนอกอีกแต่เยอะ ว, วันในดวันหนึ่งแล้วก็เลิกมันทำงานแนีะบ้านนี้แล้วไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราบ้านทางในก็คือสกลร่าง ก, กายของเรานี่เองก็ยังเห็ น, หนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกอันนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งขึ้นติดอยู่กับตัวของเราที่เราเข้าใจบ่าตัวเราหรือของเรานี้อันนี้ก็ไม่ใช่อีก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 เอกความจะเดินอยู่นในโลกนี่เดินไปนี่เราเดินไปนี่เนี่ยเราเดินไปนี่เนี่ยเดินมาเดินมาจนจนแก่จนเก็บขณะที่ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ห้ามมันก็ไม่ได้มันก็ไปเพาะมันอยู่อย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้มือนุ่มอยากเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นเองไม่ได้เหมันก็ตดอยากให้มันเหมือนไก่มันก็ไม่เหมือนถ้ามันเป็นเศษ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 เราว่าจะคนร่างกายนี้อยากแย้มันยืดนานท้าบอนไปนเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ได้เพาเป็นอยู่อย่างนี้ น, นี่ทันทีเลสังขารอนิจจาวัฏสังขาราอุปทวายะธรมินอุปจิตตวายูจันติเตสังุปาสมุสโคสังขารคือร่างกายจิตใจนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงอืม เป็นของไม่แน่นอนมีแล้วกว็าหาใหม่เกิดแล้วกว็หลับไปแต่มนมุษย์เราทางไหนอยากให้สังขารนี่มันที่นอันนี้ก็คือความคิดของคนง่อันนี้กับฉันนั้นเหมือนกันเมน้ำที่มันไหลไปผิดไดนน้ก็เหมือนชีวิตร่างกายของยายอยู่อย่างเนี้ยื อ, อเมื่อมันหนุ่มเลยมันจะแก่เมื่อมันแก่แล้วมันก็วนไปตามเรื่องมันอันนี้เป็นสัจธรรม อยากไปคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากไปคิดอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากไปคิดอย่างนั้นเรื่องอันนี้ไม่ใช่เราจะมีอำนาจจะไปแก้ไขมันพระพุทธเจ้าให้มองตามรูปมันมองตามเรื่องของมันเห็นตามสภาพของมันเทียบว่ามันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเราก็ปล่อยมันเทียเราก็วางมันเท้ยเอาความรู้สึก นี่เองเป็นต้นเป็นทีพื่งให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธทุกในวันจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยิงที่ให้โยมทําจิตให้อยู่กับลมหายใจหายใจออกยาวๆสื่อลมเข้ามายาวๆหายใจออกไปยาวๆแดีวก็ตั้งจิตขึ้นใหม่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 ใหโยมหยุดคิดอะไรทั้งปวงซะให้เอาจิตมารวมอยู่ที่จิตแล้วเอาจิตกับลมรู้จักลมภาเนาพืพทุทโธอุทโธปล่อยมางข้างนอกให้หมดอย่าไปเกาะกับรูปอย่าไปเกาะกระล้านอย่าไปเกาะพระสิ่งข์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งเรื่ให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตลงที่อันเดียวลวมให้กำหนดลม เอาจิตนั้นแหละไปรวมอยู่ที่ลมคือเหรู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องเหรู้อะไรมากมายกํ็นดให้จิตมันน้อยไปน้อยไปละเอียดไปละเอียดไปเรื่วยไปีนจนว่ามีความรู้สึกในน้อยแต่มีความตื่นอยู่ในใจมากที่สุดเป็นทนอันนี้เรศนาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆระงับไป จะไม่ค่อยหลงเงไปค่อยหลงเงไปพ้นที่สุดลาละก็ดู ร, รมเหมือนกับเราญาติมาเยี่ยมบ้านเราเราจะตามทรงญาติขึ้นรถลงเรือเราก็ตามไปถึงท่าหรือตามไปถึงลบล้วก็สรงญาติเราขึ้นบนลบเราก็สรงญาตเราลงเรือเขาก็ปิดขึ้นเรือขึ้นรถไปดิ้วเท่า น, นั้นแหละเราก็มองไปเธอหมดไป มองแต่จอญาติเราไปแล้วเรา ก, กลับบ้านแ เ, เราเรารวมลมกันฉันนั้นเมื่อลมมันหยาบเราก็รู้จักเมื่อลมมันละเอียดก็รู้จากเมื่อมันละเอียดไปเรื่อยๆไปเราก็มองไปมองไปตามไปน้อยไปน้อยไปทําจิตให้มันตื่นขึ้นทําลบในมันละเอียดเข้าไปเรื่ๆไปเพราะนี่ที่สุดแล้ว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 เราพบพระพุทธเจ้าแล้วเราพบความรู้แล้วเราพบความสว่างแล้วไม่ส่งจิตไปทางอื่นใน ม, มันรวมอยู่ที่นั่นนั้นเรียกว่าเข้าถึงต่อพรพุทธเจ้ า, าของเราถึงแม้ว่าท่านไปนิพพานไปแล้วนั่นก็เป็นพระพุทธรูปเป็นรูปกายี่มีรูปแต่พระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็เป็นความรู้อันสว่างสวัย อันเบิกอันบานอย่างนี้พบแค่ น, นี้ถ้าก็มีอันเดียวเท่านี้ให้มารวมลงนนที่นี้ฉะนั้นอย่าไปให้วางให้วางทั้งหมดเดี๋ยวจความรู้อันเดียวแต่อย่าให้ลงนะอย่าให้ลืมไมได้จะมีนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นอืมไม่ต้องเู้อะไร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 ไม่มีเราแล้วไม่มีของของเราหมดนี่คือคำสอนประกฏทธเจ้าสอนให้เราหมดอย่างนี้ในเราข้าเอาอะไรไปในเราว้อเอาอะไรไปให้เร า, า, เาไ ร, ไรู้อย่างนี้รู้แล้วปล่อยรู้แล้ว ก, ว, กวางบบบนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวซะแลว้วให้เข้าถึงเสมาอย่างนั้นอันนี้เป็นทางที่เราจะพ้นจากปัจสุบันช้าระยะปล่อยวางให้เข้าใจ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 ชาภาวะคือความเป็นจริงที่ประกฏใธเจ้าตรัสนี่แก่นั้นของที่ไหนมีความจริงอย่างนี้เห็นพระพุทธเจ้าตรัสจริงหรืวางถ้าวางมันเลเห็นความจริงถ้าไม่วางมันก็ไม่เห็นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ใครทั้งหมดในตะกณโลกนี่ก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นยายโยมมีคนห่วงใยมีนคนเกาะเกีเ่ยวที่ไหนมันจะคิดก็ให้มันคิด แต่มาคิดให้อยกับปัญญาให้คิด้วยปัญญาอย่าคิดด้วยความโง่นึกถึงลูกก็นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงโดยความโง่นึกถึงหลานก็ในึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยความโง่อะไรเราทั้งหมดทแต่เราคิดก็ได้เรารู้มันก็ได้แต่เราคิดด้วยปัญญาเรารู้ด้วยปัญญารูด้วยปัญญาก็ต้องปล่อย รู้หวยปัญญาก็ตั ว, วาง้ารู้หวยปัญญาคิดด้วยปัญญามันจะไม่มีทุกข์มันจะมีความเบิกบานมีความชุ่มลานมีความสงบมีความรลังรับเป็นอันเดียวที่จิตใจเรามารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้อง อ, อาศัยอยู่ในปัจจุบันในคราวนี้ก็คือลมลมหายใจพระพุทธองค์ตรัสว่า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 อันนี้กลัวมันเป็นแค่นั้นเมื่อร่างกายมันสุดโทมไปตามวัยยอมก็ ย, มอยอมรับเสียให้มันสุดไปให้มันโทรมไปเฉพาะร่างกายเท่านั้นเรื่องจิตใจนั้นเรื่องจิตใจของเรานั้นเป็นคนละอย่างกับร่างกายว่าทาจิตใจให้มีพลัง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 เก็บมาแล้วก็ตายอันนี้เป็นความจริงหนือเกินเช่นคุณยายเลยพบอยู่ในวันนี้ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วก็มองดูด้วยปัญญาขอกเราหเห็นด้วยทีให้เห็นเนะี่ยถึงแม้ว่าไฟมันจะไหม้บ้านเราก็ตามถึงแม้ว่าน้ำมันจะท่วมบ้านเราก็ตาม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 สิ่งที่เป็นของนอกกายของเหล่านั้นส่วนจิตใจเหล่านั้นให้เรามีการปล่อยวางเพราะในเวลานี้ก็สมควรแล้วสมควรที่จะปล่อยวางแล้วที่คุณโยมเกิดมานี้ก็นานแล้วใช่นะตาก็ดดูรูปอสีแสงต่างๆตลอดหมดแล้วอื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 เมื่อไฟังเสียงที่มันภพาะสนุกสนุกจับอกจับใจมันกวเท่านั้นเล ย, ย, ยที่ได้ฟังเสียงที่ไม่ภพเราะไม่จับอกจับใจมันปวเท่าไรเละอย่างนั้นประพุทธญาติท่านที่บอกว่าทั้งคนร่ำรวยทางคนทุกจนทางผู้ใหญ่แลยก็ทางเด็กตลอด ท, ดทั้งเจตจานทั้งหมดด้วย ซึ่งเกิดมาในสกุลนโลกอันนี้ไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้อีแค่ต้องผัดไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันอันนี้เป็นสภาวะความจกงที่เราจะแก้ไขอย่างใดที่ไม่ถูกทางมันไม่ได้แต่ว่ามีทางแก้ไขได้ว่า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 สมมติเป็นของคุณยายนี้นี่ก็เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นจะเอาไปที่ไหนก็ไม่ได้ลูกหลานบุตรดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นซึ่งเขาสมมุติว่าเป็นลูกเป็นหลานของคุณยายนั้นมันก็เรื่องสมมุติเท่านั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเราคนเดียวเป็นกันทรรมโลกถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็เป็นอย่างนี้พระละหันต่าสาวกทั้งหลายทั้งปวงท่านก็เป็นอย่างนี้แต่ท่านแปลกกับพวกเราทั้งหลายแปลกโดยะการอย่างไรคือท่านยอมรับยอมรับว่าสกลท่างกายสังขานนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมันมจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อืม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 อันนี้พระพุทธเจ้าเจนเห็นสังขารของไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้ของเจนไม่ใช่เรามันก็เป็นอย่างนี้ยังให้มันเป็นยังไงอันนี้มันถูกแล้วถ้าโยมมีความทุกข์โยมก็คิดผิดเท่านั้นแหละก็เห็นสิ่งที่มันถูกอยู่โยมเห็นผิดมันก็หวังใจเท่านั้นเหมือนแม่น้ำ เหมือนน้ำในแม่น้ำที่มันไหลลงไปในทางที่ลุ่มมันก็ไหลไปตามตภาพอย่างนั้นอย่างแม่น้ำอิทธิยาแม่ น, มน้ำงูแม่น้ำที่ไหนก็ตามเนอะมันต้องมีความไหลบนไปทางใต้ทางนั้นแหละมันไม่ไหลขึ้นไปทางเหนือหรอกธรรมดามันเป็นอย่างนั้นสมมติมาบุรุษคนหนึ่ง ซึ่งไปยืนอยู่บนฝั่งของแม่นนะ้ําแล้วก็เป็นมองดูกระแสนะ้ามันก็ไหลเที่ยวไปทางใต้แต่บุรุษคนนั้นมีความคิดผิดอยากจะให้นะ้ามันไหลขึ้นไปทางติดเหนืออยากไห้มันไปเหนือนะ้ำอย่างนี้อีมันก็เป็นทุกข์บุรุษคนนั้นจะไม่มีความสงบเลย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 มันก็กระทบกระทําตกคิดตบพวนในใจอยู่อย่างนั้นจนกว่าว่าบุรุษคนนั้นจะมาพิจารณาคิดกลับเห็นแล้วว่าโอ้น้ําับธรรมลามันมันก็ตจงไหลไปอย่างนั้นมันก็ตจงไหลไปทางใต้อย่างนี้เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นสันจธรรมอันหนึ่งซึ่งเราจะเอามาพิจารณาว่าเอออันนี้เป็นความจริงอย่างนั้น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 ปฏิให้โยมใหญ่จงตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นโอวาทขององค์สุนติะสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระรต่อไปอ่าให้โยม ตั้งใจว่าในเวลานี้ปัจจุบันนี้ซึ่งออตมาให้ธรรมะในเวลานี้ให้โยมตั้งใจเสมือนว่าพระพุธทธเจ้าของเรานั้นตั้งอยู่ในเฉพาะหน้าของโยมจงตั้งใจ กำหดจิตให้เป็นหนึ่งหลับตาโดยเฉพาะน้อมเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระโสงมาไว้ที่ใจเพื่อจะเคารพต่อองค์มมสมเด็จพรจมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้อาตมาไม่มีอะไรจะฝากโยมซึ่งเป็น ของที่จะเป็นแกนสารนอกจากธรรมะคำสอนของกัปติยาเท่านั้นฉะนั้นเป็นของฝากที่เป็นชิ้นสุดท้ายดังนั้นขอโยมจงรับให้โยมทาความเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าของเรานั้นซึ่งเป็นที่ผู้มีบุญวาสนาบารมีมาก ก, ก็ทนต่อความทุกคนภาพไม่ได้อายุถึงวัยนี้พระพุทธีประภาของเราท่านก็ปรงโปรงอายุสังขารความที่ว่าโปรงนั้นก็คือวางลง อย่าไปหอบไววอย่าไปหิ้วมนไว้อย่าไปแบกมันไว้สังขารคือร่างกายนี้ให้โยมยอมรับเสียงว่าออสังขารร่างกายนี้แม่งงว่ามันจะเป็นยังไงยังไงก็ตามมาันเถอะเราก็เลยอาศัยสกุลร่างกายนี้มาตั้งแต่กกำเนิดเกิดขึ้นมา ก็พอแล้วจนทั้งเท่าชฉะแก่ชะลาแตรนี้เหมือนเปรียบปรนหนึ่งว่าไอ้เครื่องใช้ไม้สอยเราต่างๆที่อยู่ในมากซึ่งเราเก็บกรรมไว้นมนานมาแล้วเช่นถ้วยโถโอจานบ้านช่องของเรานี้เมื่อแรกมันก็สดใสไม่สะอาด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 ถึงแม้ว่าอวัยวะร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นจ้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็แปลามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเรื่อยมาอย่างนี้ถึงวัดนี้ก็เรียกว่าแก่นี่ก็คือให้เรายอมรับ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 คนที่รักษาพ่อแม่ก็ดีมันการก็มีคุณธรรมมีความอดทนอย่ารังเรียดที น, นี้น้องคุณพ่อแม่ของเราเวลานี้เท่านั้นแหละมีร่วงต้นเกิดมานะเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่อาสัยพ่อใส่แม่เราต้องเติบโตมาแบบนี้ได้มาอยู่เดี๋ยวนี้ นั่งรอมันอย่างเดียดนี้เพราะคนพ่อคนแม่นี่เรามาสารพัดอย่างแต่พ่อแม่นี่ลูกมาสารพัดอย่างแล้วมีบุนคุณเนื้อที่สุดเกนะินเนื้อมีบาที่ให้ลูกหลานทั้งหลายทุกๆคนมาให้เข้าใจว่าแบบนี้พ่อแม่เราเป็นเด็กพ่อแม่เราเป็นลูกเราใช่แล้วก่อเราเป็นลูกของพ่อแม่แบบนี้พ่อแม่เป็นลูกเราใช่ไหมเพราะอะไร แก่ไปแก่ไปแก่จนแก่ไปเป็นเด็กจำก็ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นหนูก็ไม่ยินนั่งอะพันอย่างบางทีก็ผูดถูกถูกผิดผิดเหมือนเด็กนั่นเองอืออืมันเด็กกันเองอือเมันเด็กนั่นเอง น, เนั้ น, น, นลูกหลานทั้งหลายนั้นไม่ให้คนใจมากให้ปล่อยฮะใหปลอห่ปลอยให้คนที่รักษาคนาป่วยก็ให้ปล่อย ไอ้คนที่มันสบายเราอย่าไปถืออะไปล่อยนะให้ตามใจทุกอย่างนะแลทีนี้เราปล่อยแล้วเมันเด็กๆนะเด็กๆที่เราเปิดมาอะไรไม่ฟังพอไม่ปลอยทุกอย่างนะปล่อยให้เด็กมันสบายมัให้เด็กมันร้องไห้ม่นห้เด็กขัดใจอะไรนี้พอเงียบของเราแบบนี้เหมือนกันที่สัญญาณมันมีความลาแต่แล้วคนแก่ บางทีเรียกลูกคนนึงไปเรียกคนหนึ่งลูกหลานเรียกหล้านคนหนึ่งไปถูกคนหนึ่งเออจะเอาเรียกเอาเออบอกเอาขันมาก็ได้จานมาเรียกเองแก้วมาก็ได้อะไรมี้ ม, มามันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นนะอันนี้ก อ, อ, อให้ยกให้พิจารณาไอ้ที่คนป่วยเนะี่ยก็เป็นให้นึกถึงคนที่พยาบาลมีคุณธราม ให้อดอดทนต่อทุกขเวทนาเวทนาส า, ารพัดอย่างที่มาเกิดมาให้อดกลั้งไม่ทำเพี้ยนในใจของเร า, าให้มันหุ่นวา ย, ยาให้มีความลำบากยากจนเกินไปเกี่ยว้ับกิบัติโอปปะทาของเราผู้ปปะทาก็ไม่ควรจะทำยาลงเกลียดำำลำโมกลำร้ายกดจยากปัสาวะอะไรต้องพยายาม เท่าที่เราจะทำของแล้วได้ครู ล, ลูกทุกคนจ้ช่วยกันดูในเวลานี้ีวันนี้เรามีพรมหมจรรยเราอาศัยมาในเกิดมาแล้วนี่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกอย่างอนนี้อันนี้คือบุญคุณของท่านทนี่เรายิ้มเรามาให้ความรู้มาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพย์สมบัติเราที่เราจะมี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 กตัตตาโยกัตตาเวทีกัตตญโยก็กัตตเวทีนี่เป็นธรรมที่ฉนองซึ่งกันและกันนี่กนะัตตาเวทีก็ทําความดีมาแล้วใครทมความดีก็เรามาใครสงเคราะห์เรามารเขาเลี้ยงเรามาใครเลี้ยงเรามานี่เป็นคนกัตตเวทีที่เราให้ความเป็นอยู่ของเราหนึง่งคนนั้นแหละ จะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นยากนี่เลยจะยากก็ดีแนละ้วเป็นคนกตเวทีกาตันยูก็คือตัวเรา ท, รทูขันมีกตเวทีหนึหน่ที่อุปถัมประถาขนุบบังดุลมาแล้วเราคิดเห็นบุญคุณของท่านเรียว่ากาจันย์โท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลําบาก ท่นมีความขัดข้องโลภการใดเราต้องเสียสะละรับผาละทุระอนนั้นช่วยท่านเพราะการอยู่กตเวทีอีเป็นธรรมที่ความูนนยกอยู่ให้วงตะโกนของเรากระจัดกระจายให้วงตะโกนของเราเรียบร้อยให้วงตะโกนของเรามั่นคงเข้นอยู่อย่างนี้อันนี้แหละวันนี้อัตมาเลย ฝากเาพชรฝากธรรมะคำสอนมาฝากยายในเวลาเจ็บ่วยนี่ลดยความสำนึกน้อมมาอาศัยคนหมองไทยซึ่งเป็นลูกๆของโยมนั่นแหละถึงผู้กนตอนเวที เป็นภูมิคตันอยู่บนตะวีทีอย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นอาตมาก็ไม่มีจะฝากวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาอยู่ที่ว่ามันเยอะแยะแล้วนะเอาไปเอามามานาันลำบากนะอาตมากินฝากธรรมะสิ่งมันหมดไม่ได้สิ่งมันหมดไปเป็นสิ่งมันเป็นแก่นเป็นชานถึงใยญ่ ในฟังธรรมะนี่แล้วก็ถ่ายทอดที่คนอื่นนี่เมื่อไรก็ยังไม่หมดเมื่อไรก็ยังไม่จุจทัจธรรมคือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อันนี้แต่มาก็พลอยดีใจด้วยว่าได้ฝากธรรมะให้คุณยายมีพลังจิดใจที่เข็มแข้งต่อสู้นี่ก็ถึงทางไายเหล่านี้